ที่เข้าถึงผลจริงๆมีอะไรบ้างเพราะส่วนใหญ่มักจะเร่งรักกันเฉพาะสมาธิสมาธิก็ดีฌานสมาบัติก็ดีที่เราทรงอารมณ์ได้ยังไม่ถือว่าเข้ามรรคเข้าผลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งธิมดาญาโยมพุทธบริษัทปฏิบัติได้ในมโนยิทธิ ถึงแม้ว่าจะไปถึงเขตนิพพานได้ก็ยังว่าไม่ยังเข้าไม่ถึงมรรคผลสำหรับรโมโยทนินที่ปฏิบัติก็เพื่อบรรดาท่านพุทธวิษัทตเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจา้าที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญถ้ามีรมสงใสัยในอุสลตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาบ้างเป็นนาวฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้าง ถ้าจิตสะอาดถึงนี่สุดทะเลนิพพานคือไปนิพพานถ้าจิตใจเศร้าหมองอารมณ์เกลียดรั่วกับบาปก็ลงอบายภูมิมีเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างสุรกายบ้างสติฉานบ้างอันนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคำสอนพระองค์ไม่มีเฉพาะเจริญสมาธิเฉยๆการเจริญสมาธิก็ดีวิปัสสนาอย่างก็ดี ที่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนะั่นเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนต้องเรียกว่าสุขภาพยุบัสโกคำสอนบดที่สองเตียงปฏิวิชโชนั่นคือวิชาสามก่อนที่นักปฏิบัติจะได้ถึงความเป็นพระอริยเจ้าจะต้องได้สองในวิชาสามก่อนในสมัยที่ทรงฌานโลกีก็คือหนึ่งปุพลหนึ่งทิงงพยคุยาณการเห็นสัต เห็นผีได้เห็นเทวดาเห็นพรมได้เห็นนรกเห็นสวรรค์ได้เห็นได้แล้วก็คุยกันได้นั่งอยู่ตรงนี้เห็นเทวดาเห็นนางฟ้าถึงอยู่บนสวรรค์เราสามารถจะคุยกันได้เห็นพรมก็สามารถคุยกันได้เห็นปัรยายมเห้นสัตว์นรกเราก็คุยกันได้แต่ว่าหลักสูตรชาสามไปไม่ได้ได้แต่เห็นแต่เห็นชัดเจนตามความเป็นจริง แล้วก็คุยกันได้แต่ไปไปหาเขาไม่ได้ข้อที่สองก็คือปุกเพนิวาสารติยานลรลึกชาติกายนรลึกชาติโดยไม่จำกัดชาติถ้ามีการคล่องแคล่วนะอย่างนี้สามารถทำได้เป็นหลักสูตรวิชาสามหมวดที่สามที่เรียกว่าพิญญาหหมวดนี้มีฤทธิ์ <c oughs> นั่นก็คือเห็นได้มีความเป็นทิพได้ลรลึกชาติได้ ก็สามารถไปสู่แดนต่างๆได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปพุทธโลกก็ได้ไปพิภายนก็ได้ถ้าจิตสะอาดไปดูสู่แดนนรกเปรตสุร ก, กายสติฉานได้แล้วในจักรวาลมนุษย์จะไปโลกไหนก็ได้ตามปัญญาใสอย่างนี้เรียกเป็นหมดที่สามของหมดที่สที่เรียกว่าชลพิญโยหมวดที่4ี่เรียกไปสิมิธายานหมดนี้มีปัญญาด้วยแล้วก็มีความฉลาดในอธรรมต่างๆ รวงความว่าคําสอนของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่หยุดอยู่เฉพาะสุขวิปัสสโกที่เป็นว่าถ้าหากว่าทุกคนได้ฌานสมาบัติเป็นฌานโลกีถ้าหลงไหลเฉพาะฌานโลกีจะไม่มีประโยชน์ในมรรคผลแต่ว่าฌานโลกีนี่เราต้องทําต้องทําให้ได้เพราะเป็นพื้นฐานของความเป็นพระอริยเจ้า <c oughs> ต่อไปถ้าได้สองในวิชาสามห้าในปัญญาหก ถ้าหลงไหลในสองวิชาสาห้าปัญญาหก็ไปนิพพานไม่ได้เหมือนกันยังไม่เป็นพระอริยเจ้าหลิกความเป็นพระ อ, อริยเจ้าอยู่ที่ตัวตัวตดกิเลสการตัดกิเลสต่พูดต้งบ้าด่างกิเลสแต่จะมีความรู้สึกว่ามันมากมายเหลือเกินแต่ความจริงข้อที่จะตัดจริงๆเนี่ยมีแค่สิบข้อไม่มากที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสังโยชน์แปลว่าเป็นเครื่องกิเลสเป็นเครื่อง้อยรัดใจ สัญยชดมีสิทธิการถ้าจะเป็นพระโสดาบันพระศิทาคามีต้องตัดสัญญาณสามเบื้องตนให้ได้ถ้าจะเป็นพระนาคามีก็ต้องตัดอีกสองข้อรวมเป็นสาวเป็นห้าข้อเดียกันถ้าจะเป็นพระรหันต้องตัดอีกห้าข้อรวมไล้เป็นสิบข้อเดียกันเป็นพระรหันตอนนี้สาหรับพระโสดาบันไปยังไง ปัโซดาบันนี่มีสามชั้นคือสัตะตะคตโตโกลังโกละเอกวิชีกลุ่มความว่าปะโซดาบันเหมือนกันจึะเป็นเพียงว่าจัดว่าอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเท่านั้นเองนี่สังโยตสามเพื่อปะโซดาบันในสิทธาคามีตามพระบาลีท่านตรัสอย่างนี้นับว่าศักมึงส ก, กายทิฏฐิสองวิจิกิจชาสามสินรประตะปรามาต คำว่าส ก, กายติฐิในพระโสดาบันพระสิกขาคามีพระพุทธเจ้าบอกว่ายังใช้ปัญญาไม่มากเพิ่ตัดไวนาบดีส่วนหนึ่งว่าพระโสดาบันก็ดีพระสิกิธาคามีก็ดีมีมีสมาธิไม่สูงมีปัญญาไม่มากแต่มีศีลบริสุทธิ์เราก็มานั่งพิจารณาตามนี้ท่านบอกว่าพระโสดาบันและพระสิกิธาคามี มีกำลังสมาธิแค่ปฐมฌานก็สามารถทำได้เพรว่าปะโสดาบัญก็ดีพระสิทธาคา ม, มีก็ดีใช้เพพาะอนุสติเป็นกรรมฐานที่เบามากคำว่าอนุสติประวะตามนึกถึงยังไม่ต้องใช้กำลังสูงอย่างสกายทิฐิท่านบอกว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา <c oughs> อารมอย่างนี้เป็นคํากลางแต่ว่ากําลังของวัสดาบันจริงๆความรู้สึกในเว่าที่ร่างกายไม่เฉเรามายถึงเร า, เราคือร่างกายมันต้องตายคนทุกคนที่เกิดมาไม่มีใครอยากตายแต่แต่ว่าถ้ามันจะตายจริงๆเราก็ห้ามมันไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายเป็นนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเพราะมันไม่เทีย่ยงจึงเข้าถึงความตาย เราเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายคือว่าหนึ่งเมื่อเกิดไปใหม่เราเป็นเด็กเล็กต่อมาวันเวลาล่วงเลยข้็มาแล้วก็โตขึ้นมาทุกวันทุกวันยังทั้งถึงความเป็นเด็กใหญ่เป็นหนุน่มเป็นสาวนี่แสดงถึงความไม่เที่ยงของร่างกายถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องเป็นเด็กเล็กตลอดไปต่อมาถึงความเป็นหนุน่มเป็นสาวแล้วก็ถึงวัยกลางคนถึงวัยกลางคนก็้ถึงวัยเป็นคนแก่ นี่มันไม่เที่ยงเลยมาในที่สุดมันก็ต้องตายกวงความว่าคนก็ดีสั ก, ก็ดีในโลกนี้ไม่มีใครเหลือตายหมดแม้แต่เราเองก็ต้องตายที่พระโสดาคนจะเป็นพระโสดาบันได้ก็ต้องมีปัญญาปัญญาไม่มากนักก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงเชื่อพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญ ถ้าจิตคบอารมณ์มีอารมณ์ที่เป็นบุญกุศลไปสวรรค์เป็นต้นแล้วก็ไปนิพพานไปทีสุดแล้วก็เชื่อทันถ้าจิตคบบาปอากุศลก็ไปอบายภูมิอันนี้เมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ฝืนกำลังใจของเราจิตของเรามันยอ่อมมันคล้องทั้งสมรรกาลทั้งความดีและความชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอกุศลกรรมเก่า ถ้าเข้าสนองใจก็ทําจิตเราให้สนใจในความชั่ว ถ, ถ้ากลัวถ้ากลัวสนเข้าสนองใ จ, นใจก็สนใจในความดีก็ต้องฝืนมันฝืนจับเฉพาะความดีอันดับแรกก็ตัดวิจิกิจฉาข้อที่สองคือความสงสัยคำว่าสงสัยคือสงสัยในความดีพรธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงยอมรับนับถือด้วยความจริงใจ ถ้าคิดว่าหนึ่งเราจะต้องตายเราจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเราไม่ยอมลงนรกเพราะว่าคนนึกถึงแม้พระพุทธเจ้าอย่างเดียวอย่างมัตตากุณลีเทพบุตรเขานึกถึงต้องการพระพุทธเจ้าช่วยเขาหายจากโรคในความจริงคนตะกูล น, นี้ไม่เคยนับถือ พ, พุทธศาสนาพระพุทธเจ้า เคยพระเดชเป็นเมืองนั้นเดี๋ยเดินบิณบาทผ่านหน้าบ้ายเขาทุกวันแม้จะยกมือไหวก็ไม่มีเท่ก็ไม่เคยฟังบายก็ไม่เคยใสเพราะเขาไม่นับถือแต่ว่าพอาป่วยเข้าจริงๆหาที่พึ่งไม่ได้ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าขอพระเจ้าช่วยให้หายจากโรคแต่ความจริงเขาไม่ได้นับถืออย่างอื่นต้องการต้องการใช้ แต่ถึงขงนั้นก็ดีตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดปฏิวัติดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสตีวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารต่อมาพ่อของมัตตกรณีเทบดไปถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระสมัมมาสัมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วไปสวรรค์มีไหม เมื่อพระเจ้าทรงตรัสาปรามณะดูก่อนพราหม์คนที่นึกถึงชื่อตถาคตอย่างเดียวไม่เคยใส่บาตไม่เคยฟังเทศไม่เคยยกมือไหว้ตายแล้วไปสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับปีงโกดดูตัวอย่างลูกของท่านเป็นต้นนี่เป็นว่าเราคิดว่าเราใช้ปัญญาเล็กน้อยคือว่าการตายเมียใบยภูมิไปที่ไปด้วยเป็นมีสุคติไปที่ไปด้วยเราจะไม่ยอมไปสู่ทุกติเราจะไปสู่สุคติอย่างเดียว ก็ ค, คือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แน่นอนใจไหว้ด้วยความเคารพบูชาด้วยความเคารพอย่างนี้เป็นการป้องกันอบายภูมิในชาติหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกชาติถ้าต้องการจะป้องกันอับายภูมิได้ทุกชาติต้องมีศีลหบริสุทธิ์ที่เรียกวิ ร, รัตะประมาทสัญญอ้อที่สา ธรรมสีตปา r a m a t นี่หมายความว่าการลูบคำศินไม่รักษาสินอย่างจริงจังแล้วก็ตัดอารมณ์ที่ไม่รักษาศินจริงจังทิ้งไปเข้ามารักษาศินอย่างจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจคิดว่าศินให้ไปการมีอะไรบ้างหนึ่งการฆ่าสัตว์เราไม่ฆ่าสองรักทรัพย์ประเวณรสามมีความพฤติกรรมเราไม่ิดเราไม่ทําผิดข้อนี้สินมุสาวาดเราไม่พูดฆ่ากันดื่สุรามีอะไรเราไม่ดืม่ม ค่อยๆตั้งใจรักษารักษาครบห้รายการนี้แล้วที่ว่าตัดสัญญาต์สามได้การตัดสัญญาต์สามได้พระเจ้าทรงเรียกว่าพระโสดาบันเป็นขั้นสตากถตรงนี้อารมณ์อของปรสดาบันจริงๆเขายกตัวอย่างอย่างสุปปาพุทธกุติ <c oughs> ท่านสุปปพุทธกุติคนนี้เป็นขอทานด้วยเป็นโรคเรือนด้วย วันหนึ่งไปขอทานไปพบพระพุทธเจ้ากำลังเทศก็เลยนั่งฟังเทศขั้งหลังเขาพบเป็นโรกเรือนเป็นขอทานศักดิ์สีต่ำรู้ตัวไม่กล้าไปนั่งใกล้เขาแต่ก็ดินเสียงพระพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสพอพระพุทธเจ้าเทศจบก็ปรากฏว่าท่านได้บรรลุปัฏดานแล้วก็กลับบ้านมันนอนคิดตอนกลางคืนว่าคนอย่างเรา เป็นขอทานด้วยเป็นโรคเรือนด้วยและเวลานี้เราเป็นพระโสดาบันถ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบเราเป็นปโสดาบันจะทรงดีใจมากแต่ความจริงพระพุทธเจ้ารู้แต่เธอคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้วันรุ่งขึ้นอย่งตั้งใจจะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าได้ปโสดาบันพอออกจากบ้านแล้วพระอินทรก็ลองใจว่าคนนี้จะเป็นปสดาบันจริงไหม ก็มาลอยขวางหน้าแสดงองค์เป็นพระอินทร์ชัดก็ถามว่าสุ ป, ปะพุท ธ, ธกุติเธอจะไปไหนคําว่าสุ ป, ปะพุท ธ, ธนี่เป็นชื่อของเธอแต่กุติแปลดอกเรือนถ้าพูดภาษาไทยก็ต้องเรียกว่าอิตาสุ ป, ปะพุท ธ, ธขี่เรือนไปไหนก็เป็นนว่าเธอก็ตอบว่าฉันจะไปฝ้าโวตะเจ้าเพือกราบทูณีทรงทราบว่าเวลานี้ฉันเป็นปสุดาบัน พ่อเองก็ลองใจขี้เชื่อว่าพระโส ด, ดาบันย่อมไม่ปรมามาตรพระรัตนตรัยไม่ไม่ไ ม, ไม่ตั้งใจจะพูดแม้แต่การไม่ตั้งใจพูดลเล่นก็ไม่พูดแล้วก็มีสินห้าบริสุทธิ์ถ้าอย่างบอกว่าสุภาพุทธะเวลานี้เธอเป็นโลกเรือนด้วยแล้วก็เป็นคนจนเป็นข้อฐานถ้าเธอพูดตามเราพูดแม้แต่พูดเฉยๆไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไร ถ้าพูดได้เราจะบรรดาให้ร่างกายของท่านหายจากโรคเรือ้อนแลมีความสวยสดงดงามท่นานนั่งจนั่งก็จะบรรดาลรับไปตกมาจากอากาศให้ท่านเป็นมหาเศรษฐีในวันนี้ท่านสุภาผู้ท้ายก็ถามว่าให้พูดไปยังไงพระอิน์ก็บอกว่าพูดอย่างนี้ก็แล้วกันว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์พูดเฉยเฉยไม่ต้องตั้งใจไม่เป็นไร แค่พูดตั้งมาด้วยไม่สร้างใจเราจะมรดาลสิ่งต่างหลายให้ตามที่เราจะตามที่เราตกลงไว้ท่านสุ ป, ปาพุทธฟังอย่างนั้นแล้วก็ชักไม่พอใจราจริงพระสงดาวรนนะยังมีความโกรธก็ชี้หน้าพระอินทร์ว่าพระอินทร์ถอยจงถอยไปเพื่อต้องการเระพูดอย่างนั้นเราไม่ยอมพูดทั้งนี้เพราะอะไรเราเรามีความมั่นคงในพร้อยบแม่นคงในพระใจสนาคม เวลานี้เราเป็นมรโสดาบันมีความเคารพพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านบอกว่าถ้าเราเป็นคนจนนั่นมันจนแต่ทรัพย์ภายนอกที่เราโลภียทรัพย์แต่อริยทรัพย์คือทรัพย์แห่งความบริสุทธิ์ของเราครบถ้วนบาริบุญพออินบัทราตานั้นก็ทราบว่าสุปาพุทธะท่านบริบูุบบรรบปปบบ์ด้วยด้วยศาสนาคมศาสนาพิจ <c oughs> ลตกไป ข้อนี้เป็นเครื่องหิตเห็นชัดว่าคนที่เป็นพระโสดาบันจริงๆหนึ่งมีความเคารพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงและก็สองมีความเคารพในศีลห้าปฏิบัติครบถ้วนจริงเป็นนั้นว่าการปฏิบัติกขาเป็นย้ำอีกทีบรรดาแทนพระบริษัทการตักกิเลสครั้งแรกเข้าถึงจุดพระโสดาบันในสิกขาคามีหนึ่งไม่ลืมความตายเอาง่ายๆ สองมีความครบในพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจถ้าสามถ้าสดาบันขั้นอ่อนมีชิ้นหบริสุทธิ์เรียกว่าสัตตะคตตัวถ้าบสดาบันขึ้นกลางและขั้นสูงก็มีกำหมดสิบครบถ้วนก็มาหมดสิบบวกชิ้นห้าคืนหนึ่งไม่ฆ่าจัด2ไม่รักทรัพย์สามไม่พุทธปฏิกามสีไม่เดิมสุรามีไรนี่ทางกาย2 ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอเสียดไม่พูดเพ้อเจอ้อเหลวไหลในทางวาจาถ้าสีจิตใจไม่อยากได้ทรัพสมบัติงใไรโดยไม่ชอบทำคว า, ามโกรธมีอยู่แต่ไม่ผูกโกรธไม่จองล่างจองผลานถ้ามีอารมณ์ไม่ฝืนคำสอนพระเจ้าในทางใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงก่อนที่จิตจะเข้าถึง บ, บัณ ตอนเข้าสู่โครตรภูญาณคําว่าโครตรภูนอยู่ระหว่างโล ก, กีกับโลกตระแต่เมใกล้นิดเดียวเวลานั้นจิตใจจะรักพระนิพพานเป็นอย่างยิ่งเพื่ออารมณ์ไม่ต้องการอย่างอื่นต้องการจุดเดียวคือพระนิพพานนี่เป็นโครตรภูญาณแต่พออารมณ์เข้าถึงระโสดาวันจริงคําว่าธรรมดา ย, ย่อมเกิดกับใจอารมณ์อ่อนลงความรักมันระหว่างเพศก็อ่อนลงยังมีความ ตความอยากอยากร่ำรวยก็มีแต่ยังอดอลงไม่ดิ้นรนนักแล้ความโกรธก็ยังมีแต่ไม่หนักหนานักคือไม่รุนแรงมากเกินไปความหลงยังมีคือยังต้องการความสวยสดความงามแต่ถืว่าไม่ลืมความตายกรมความว่าประโสดาบันก็ดีพระสีธาคามีก็ดีเป็นพระอริยเจ้าที่ยังแต่งงานได้ คนยังไม่แต่งงานก็แต่งงานได้แต่งงานแล้วไม่ต้องเลิกกันพราอยู่ในขอบเขตกุศลห้าด้วกำหนด0ิบไม่จำเป็นต้องเลิกการแต่งงานนี่ปรโสนดายสกิธาคามีนะถ้าจะเป็นผ้านาคามีต้องตัดเส้นโยดเพิ่มอีกสองคือกามาชันทะกับปฎิฆะคาม่าการมาันทะคือความพอใจในเพศตรงกันข้ามไม่มี พูดง่ายการมาฉันทะบอกไม่พอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเราก็พูดกันง่ายๆฟังง่ายๆว่าความพอความรู้สึกความพอใจในเพศตรงกันข้ามไม่มีลกักประการที่สองอารมณ์ไม่พอใจคือความโกรธไม่มีในใจมีเมตตาเป็นเครื่องบรรทัดใจในี่การตัดสังยอดข้ อ, ขอที่สี่คือการมาฉันทะทํำยังไง ก็ต้องใช้กายยกตานุสติกับอสุปกรรมถานบวกกันคือกายยกตานุสตินึกถึงอาการสารอสองคือผมขนเล็บปันลันหนังเนื้อเป็นต้นร่างกายทั้งร่างกายนึกถึงร่างกายเป็นกายยกตานตุสตินึกถึงอสุปกรรมฐานก็คิดว่าร่างกายนั้นเต็มด้วยความสุปรกโสโครกไม่มีใช่ข้างในมีตับไตไส้บอดลจำเลือดนจำเหลือง้ำหนองอุจจาระปัสสาวะมันสุปรกทุกอย่าง แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณ น, น้อมเข้ามา่าร่างกายนี่เป็นอนิจจังคือมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันสุกเรลกด้วยมันก็ไม่สมตัวมันแก่ไปทุกวันต่อไปเมื่อแก่ก็ยังไม่พอมันก็เจ็บไข้ไม่สบายมีการป่วยไข้ไม่สบายด้วยถ้าทุกข์ขังในเมื่อร่างกายไม่เทียเท่ยงเราเต็มไปได้วยความทุกข์อนัตตาในะที่สุดมันก็สลายตัวก็เลยมีความเบื่อหนา่ายในร่างกายที่จะบอก นิพิทายานค่อยๆทําเห็นความเบื่อหน่ายในร่างกายเห็นร่างกายสศกปกไม่มีการสรงตัวก็เกิดความเบื่อความเบื่อถึงที่สุดก็ตัดอารมณ์กรรมฉันทะได้ความรู้สึกในเพศไม่มีต่อไปการตัดความกโกรธก็ใช้พรมีหาร4เีเอื้อหนึ่งเมตตาความรักสองกรณาความสงสารสามมุตตาจิตอ่อนโยนไม่ฉาดิสยาใครห็ใครได้ดีพลอยยินดีด้วย ถ้าเสียเบิกขาวางเฉยอารมณ์อย่างนี้พยายามตั้งไว้ตั้งแต่เช้ายันหลับต่นขึ้นมาก็ตั้งอารมณ์นี้ไว้คิดว่าวันนี้ทั้งวันเราจะมีแต่ความรักในคนในสัตว์รักคนอื่นสัตว์อื่นเสมอในตัวเราเราจะมีความสงสารคนอื่นสัตว์อื่นเสอมอที่สงสารตัวเราถ้าหากว่าเขามีความทุกข์ถ้าไม่เกิด ม, มีสยเราจะช่วยมีความสุขและก็ก Whit ุณา มุตุตาจิตอ่อนโยนให้คนอื่นได้ดีดีพอยินดีด้วยมีชาริษยาไข่เมื่อขาวางเฉยถ้าทุกร้อนใดๆเกิดขึ้นกับขันห้าถือว่าเป็นกฎของกรรมอกุศลกรรมเข้าสนองเพียงใดเราก็มีทุกเปลี่ยนั้นถือเป็นเรื่องธรรมดารวมความว่าตัดกรรมฉันทะได้และโทสะเพื่อความโกรธได้ถ้าตัดได้สงอย่างนี้จริงๆท่านเรียกว่าพระอนาคามี อันนี้ก็บอกให้ทราบนะต่อไปกรรงความว่าตั้งแต่พระโสดาบันถึงอนาคามีเนี่ยตัดได้ห้าคืนหนึ่งสกายทิฐิธิคือร่างกายจะต้องตายสองวิจิกิจฉาไม่สงสัยในความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามที ร, ระาปาบรามาตมีสินห้ากำบนดสคิครบถ้วนพอเข้าอนาคามีเข้าเขตตอนนี้สินไม่อยู่สินห้าเป็นศินแป พอเข้าเขตไปพระนนาคามีมรักเริ่มจะเข้าอนาคามีผลศิ้นห้ากลายเป็นชิ้นแปดพอใจในชิ้นแปดและมีอารมณ์เบื่อหน่อยในร่างกายเบื่อร่างกายตนเองเบื่อร่างกายของคนอื่นเบื่อวัตถุธาตุทั้งหมดเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเต็มด้วยความโรกโสโคร ก, ก, ก, กมีความไม่เที่ยงในเบื้องตน้นถ้าเกาะไปเกินไปก็มีความทุกข์ในสดุดแมงก์ก็พังสลายตัวไม่เกาะไม่ยึดหมดวางเฉย แล้วต่อไปก็ตัดความความโกรธออกจากใจเรียกว่าตัดปฏิฆะคือความโกรธออกจากใจความไม่พอใจอย่างนี้เป็นนาคามีที่พูดนี้พูดให้ฟังนะใครปฏิบัติได้ถึงไหนก็ทราบต่าตนถึงต่านั้นแล้วต่อไปถ้าอยากเป็นพระอรหันต์ก็ตัดอีกห้านี้ตามแบบนะที่พูดวันนี้นะตามบาลีคือ อ, อีกหตัดที่ห้าคือหนึ่งดูปราคะ ส อ, อรูปราคะสามณนะสอุจจจะหวิชาคำว่ารมปราคะหมายถึงรูปประจานผู้ประจานเราทาให้ทรงตัวได้แต่ว่าเราไม่หลงในรูปประจานเห็นว่ารูปประจานนี้เป็นเ พ, เพียงแค่กําลังเป็นเครื่องตา ก, กิเลสเท่านั้นไม่ใช่จกในแค่นี้อารูปประฌานก็เช่นเดียวกันเราได้รูปประจาน ไ, ไม่ใช่เป็นผู้เลิศไม่ใช่เป็นพระอาริยเจ้าไยังไม่ใช่อรหรัน ก็แอรูปชายเป็นกําลังหนึ่งช่วยวิปัสสนาญาณแต่กิเลสเราไม่ติดแค่นั้นเดินทางก้าวต่อไปถึงวิปัสสนาญาณต่อไปก็ตัดมานะการถือตัวถือตนไม่ถือเราไม่ถือเขาเขาเร็วกว่าเราเขาเสมอเราเขาเขาดีกว่าเราไม่ต้องคิดคิดว่าคนทุกคนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อเกินแก่เจบตายเหมือนกันมีภาวะเสมอกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น มีความเปลี่ยนแปลงในท่ากลามมีการสลายตัวในที่สุดเหมือนกันขึ้นเชื่อมานะการ ถ, ถือตัวตัวตนสลายตัวไปถ้าต่อไปก็ตัดอุตจักรอุตจักรนนแปลว่าอารมณ์พุ่งสา้านพยายางไม่ถึงอรหันต์ก็จะอดมีอารมณ์ุ่งส้านไม่ได้นั่นคือหมายความว่าเวลานี้สมมติว่าเราเป็นพระอนาคามีพระอนาคามียังมีอารมณ์ุ่งซานซานตอนไหน สร้างในความรักระหว่างเพศเพระนาคา ม, มีไม่มีแล้วสร้างในความโกรธวพานาคา ม, มีก็มีก็ไม่สร้างตอนนี้คิดว่าการปฏิบัตินี้เต็มด้วยความเหน็กเหนื่อยมีอารมณ์เครียดไม่ปกติเราถ้าเราหยุดแค่นาคา ม, มีเราตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นนางฟ้าเป็นธรรดาด้วยผมล้วก็ไม่ต้องลงกลับมาเกิดมนุใหม่บําเป็นบา ร, รมีที่นั่นไปนิพพานต่อไปนี่ใช่แค่นี้นะ แต่ต่อมาถ้าเป็นรหัสต้องตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านในเสียคิดว่าการไปนอนาคามีที่ยังไม่จบกิจถ้าชีวิตเขาเรายังไม่ตายเราต้องทําต่อไปเพื่อวังนิพพานในชาตินี้จิตจับนิพพานเป็นอารมณ์โดยเฉพาะหลวงภาว่ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านเราคิดได้ข้อสุดท้ายตัดอวิชชาอาวิชชาในตัวตัดสดยอดหมายความตัดความรู้สึกมีความพอใจในมนุษย์สโโัโลกเทวโลกกับภูมโลก และแตกความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกสุภโลกเป็นดินแดนสวยสดงามน่าอยู่น่าอาศัยความพอใจของเราในมนุษย์ดีก็ดีเทวดาก็ดีสุภคมก็ดีไม่มีในเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นก็หันกลับมาดูอารมณ์ของเราว่าเวลานี้โลภความโลกมีในใจหรือเปล่าโทสะความโกรธมีในใจหรือเปล่า โมห oh ะความหลงมีในใจเปล่าอะไรบ้างในโลกนี้ที่เราเห็นว่าดีที่มีการทรงตัวเกิดแล้วไม่สลายตัวมีไหมถ้าปัญญามีจริงก็จะมีความรู้สึกว่าโลกทั้งโลกไม่มีอะไรทรงตัวทุกอย่างเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกทั้งโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ด้วยความเล่าร้อนมีความหิวความหายก็เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นทุกข์การประกอบกิจกายงานก็เป็นทุกข์ ความปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์กรวมความวันโลกเต็ไมไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรดีได้ขึ้นชีว่าโลกอย่างนี้เราทรงอุงเบกขาที่เรียวสังขารอุเบกขายานวางเฉยในโลกวางเฉยในร่างกายให้คําว่าวางเฉยในร่างกายสังขารอุเบกขายานหมายความว่าถ้าร่างกายมันกแก่ก็เชิญแก่ตามสบายเราทราบแล้วลว่าร่างกายมันกแก่ ร่างกายมันจะป่วยจิตใจก็วางเฉยเรื่ธรรมดาร่างกายมันจะป่วยร่างกายมันจะตายกรณิตใจสบายใจเรื่องความตายเป็นของธรรมดาใต้ลมที่สะอาดที่สุดของจิตมีว่าถ้าตายคราวนี้ฉันไปนิพพานก็เพียงเท่านี้บรรดาญาโยบริเวณสัตว์ทุกท่านพยายามรักษากำลังใจอันดับแรกที่ต้องเอาให้ได้จริงๆก็คือพระโสดอารมณ์ของพระโสดาบัน แต่ว่าถ้าจะเป็นประสดาบันเดิมไม่ในะอยาสนใจนะถ้าสนใจเกินไปจะยุ่งจิตจะพุง่งชั่นจะมีมณะกิเลสให้ถือว่าประสวดาบันท่านทำยังไงเราทำตามนั้นถ้าทุกคนหรือหลายคนทรงอารมณ์ประสดาบันได้ขึ้นชีว่อบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วไม่มีโอกาสให้ผลท่านทุกคนไม่มีโอกาสที่ลงอบายภูมิคือไม่ต้องเป็นสัตว์นรกไม่เป็นเปรตเป่สุรกายเป็นติฉัน แล้วก็มีเวลาจํากัดยาเกิดเป็นคนเพื่อหวังเพื่อและนาทีสุดท้ายนี่ผ่านอรบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดก็ดีตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานศีล ส, สมาทานประรจมทาน